ชูชกเนะ่ะกินอาหารจนท้องแตกนะ่คนเราท่างว่าไม่อายเกียนมันก็ถ่ายเท่านั้นนหะจะไปท้องแตกนะมันเป็นไปไม่ได้ไม่น่าเชื่อตำรานนี่ยเขียนเกินไปหนะลงตามหาบัวบอกว่าเอากำ ม, มันเป็นได้ทั้งนั้นแหละถ้าหาว่าท่านไม่เชื่อท้องแตกท่านก็คงจะไม่เชื่อว่าแผ่นดินสูบพระเทวทัตแผ่นดินแข็งแท้ๆมันจะไปสูบคนได้ยังไง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 พวกพี่เลี้ยงนางนมจะเห็นว่าเด็กตัวเล็กๆตัวแดงๆเอาไปเล่นน้ําทะเลว่างั้นพอเล่นน้ํำทะเลวันนั้นพอเล่นไปเล่นมาสนุกสนานปลาหวานมันก็โวยวายมามันก็มางับเด็กกลืนเข้าไปในท้องเข้าไปในท้องปลาปลาใหญ่พอเข้าไปที่นี่ก็พ่อนี่ก็แตกกระเจิงขึ้นมาเลยทนะเด็กมันก็อยู่ในท้องปลา พวกนั้นก็วิ่งขึ้นมาพอาะฉะนั้นก็ด้วยบุญกุศลที่ท่านได้ทําไว้ดีแล้วกับบาปอากุศลที่ท่านได้เคยทําไว้อีกเหมือนกันนั่นแหะแต่จุดจุดนี้ท่านไม่ได้บอกว่าท่านทําบาปอันไหนไว้ท่านจริงอยู่เข้าไปอยู่ในท้องปลาหวานในท้องท้องปลาใหญ่ไม่มีท่านก็ไม่ได้บอกไว้เหมือนกันแต่ท่านก็อยู่เข้าไปอยู่ในแต่ไม่ตายอพราะงนั้นเพราะว่าท่านได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 อีกเหมือนกันที่ว่าปลากินเข้าไปในท้องแล้วก็โอ้เสียอกเสียใจอย่างมากเพรางั้นแต่แต่ในคนนี้ก็ไปจ่ายตลาดไปเห็นปลาตัวนี้โอ้เอาตัวปลาตัวนี้น่ะคงจะเป็นไข่มันคงจะมีท้องไข่มันท้องมันใหญ่มากยานั่นก็เลยซื้อปลาตัวนั้นมาปลาตัวนั้นมาตะกอนมียเศรษฐีคนนี้แหละแม่บ้านเศรษฐีคนนี้แหละไม่เคยคิดทําครัวแต่วันนี้อยากจะทําครัว อันนี้แนะกรรมมันเกี่ยวเนื่องหากันเหมือนกันนะอยากจะทําครัวมาดิฉันจะทําเราจะทําเองปลาตัวนี้ทำไมท้องใหญ่เหลือเกินคงจะไข่เยอะมั้งเองนะก็พอช้าแหละเข้าไปในท้องปลาเห็นเด็กอยู่ในท้องปลาเอ้าเด็กทำไมอยู่ในท้องปลาจะนด้เด็กออกมากเอาออกมามาล้างน้ำอะไรเด็กก็ยังไม่ตายอยู่ยังไม่ตายแต่เนี่ยเด็กโอ้เอามาเลี้ยงไว้ เศรษฐีบ้านที่ลูกหายนะก็ประกาศเลยว่าปลากินลูกปลากินลูกแล้วว่างั้นประกาศลงไปแต่พวกนี้ก็พอต่อมาได้ลูกอยู่ในท้องปลาเที่ผลที่สุดก็เลยพวกนั้นก็มาขอพวกนี้พวกนี้ก็ไม่ยอมให้ผดพูกนี้ก็อยากจะได้ลูกอยู่แล้วลูกเด็กชายต่างหากว่างั้นเลยผลที่สุดก็เลยสองเศรษฐีสองตระกูลนี่ยก็ เตรียมทัพเพื่อจะยกถล่มกันแล้วนันแหะย่งเด็กแต่นี้ก็พราชาที่เป็นใหญ่ในแผ่นดินท่านวัวโ อ, โอไม่ได้พวกท่านจะทำถล่มฆ่ากันอย่างนี้ไม่ได้ก็เลยตั้งศาลปีภาคษาอายการขึ้นมาวินิจฉัยพวกนี้ก็ว่าใช่ลูกของฉันแน่ๆเอาไปเล่นน้ำทะเลปลามากินไงพวกนี้ก็ใช่มันหมดสิทธิของท่านแล้วปลากินแล้วอันนี้เป็นสิทธิของฉันที่ฉันได้มา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 ฝังตรงกลางแล้วก็เจ็ดวันทางพ่อแม่เก่านี่ก็ไปดูแลอุ ป, รรปถัมภ์ปฐาเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ทั้งหมดอันไหนที่ดิบดีแบบนั้นเปลี่ยนให้พอเจ็ดวันอีกแล้วก็พ่อแม่ทางบ้านนี่ก็เข้าไปดูแลอุ ป, รรปถัมภ์ปฐาอีกเจ็ดวันของที่เปลี่ยนเนี่ก็เอาสงกับคืนไปหาทางนู้นพอทางนั้นมากับสงของกับขืนไปทางนี้ดูแลเหมือนกับ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 แต่ตอนที่ได้ฟังเสียงธรรมะนี่เราก็ไม่รู้มันกันว่าท่านได้ท่านได้ไปศึกษาที่ไหนได้ไปฟังเทศที่ไหนคงจะเสษฐีทั้งฝ่ายพ่อแม่เนี่ยคงจะนําไปฟังธรรมเทศนาพระพุทธเจ้ากำมังจากนั้นท่านก็เลยจักจะบวชเป็นสมณะเนีท่านก็ได้บวชบวชมาไม่นานท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์นะพูดแบบลปลวลัดนะพอเป็นพระอรหันต์แล้วทีนี้พี่น้องทั้งสองฝ่ายแต่ ต้องรักษาอีกอย่างเก่าพอต่อมาเนี่ยฝ่ายหนึ่งก็มาเปลี่ยนบริขารบาดให้อีกเจ็ดวันกับฝ่ายหนึ่งมาเปลี่ยนบริขารเปลี่ยนบาดให้กีวรให้บริขารให้ท่านก็อยู่ตรงกลางเหมือนกันทั้งฝ่ายพ่อฝ่ายแม่ทั้งสองฝ่ายดูแลแต่ท่านพระพากูราเนี่ยท่านไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่เคยฉันสมอแม้แต่ชิ้นเดียวไม่เคยเองกาย พ่อเหตุใดเพราะว่าท่านตั้งความปรารถนาว่าขอเกิดมาพบใดชาติใดเมื่อข่าได้สําเร็จขออย่าโรคภัยไข้เจ็บอย่าได้มีอย่าเบียบเปลี่ยนข้าพเจ้าคําว่าเจ็บแย้งปวดขาเวทนาต่างๆอย่าได้มีกับข้าพเจ้านี่แหละมีพระอรหรันตุกสิทธิ์ของพระพุทธเจ้ามีองค์เดียวเท่านี้แล้ ว, ว่าพระพากุระที่พูดขึ้นว่าอโรคขญาปรมาลาพาความไม่มีโรค เป็นลาบอันประเสริฐเป็นราบอย่างยิ่งนะเรียกว่าเป็นสุขอย่างยิ่งก้อยชายเป็นราบอย่างยิ่งก้อยชายเพราะคนไม่มีโรคภยครัยไข้เจ็บจากนั้นท่านก็อายุถึงร้อยี่สิบปีอีกต่างหากนะท่านจูดอย่างพระอา ย, ยุท่านร้อยี่สิบปีท่านเป็นพระหรหันแต่อายุเจ็ดปีนะแต่ที่เมื่อท่านจะได้สําเร็จเป็นพระหรหันนะท่านก็มาคิดว่าเออถ้าว่าเราตายแล้วมรณะภาพในบ้านหลังนี้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 ทะยานขึ้นบนอากาศเพราะอาญาอากาศจะเหมือนกับบังไฟเนาะงั้นบังไ ฟ, ะนะงไฟเออมันกัดกาดกาดกาดขึ้นไปฟันตลกจากนั้นก็เห็นแต่กระดูกตกลงมาแบ่งเป็นสองภาคเลยงัะนะ้ะนแเล ะ, ะไม่ต้องแบ่งกันยากเลยว่างั้นแเละภาคหนึ่งก็ตกไปทางตระกูลหนึ่งภาคหนึ่งก็ตกไปตระกูลหนึ่งท่านเะอายุร้อยี่สิบปีไนงะแต่ว่าพ่อแม่ของท่านก็คงจะจากไปแล้วล่ะ แต่ถึงยังไงกับลูกหลานตระกูลเนี่ยเยังสืบทอดก็ยังให้ความรักเคารพท่านอย่างสุดๆอยู่ยางานน่ะพร้อมที่จะรบลาข้าว ฟ, ฟันกันท่านก็เลยแบ่งอธิษฐานของท่านให้เป็นสองฝ่ายเลยจากนั้นญาติพี่น้องก็เลยได้กระดูกอธิทฐานพระธาตุของท่านก็ไปสร้างเจ้ทูกเจดีในตระกูลของตอนเองนี่แหละอันนี้ก็คือความไม่มีโรคเป็นราภอันเปิดเสร็จ ไม่เคยฉันสมอแม้แต่ชิ้นเดียวไม่เคยเอนกายในการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีนี่แหละคือมีพะระเถระในตุกบรรดาะจิติมหาสาวกแปดสิบโลกนี่มีท่านพระพากราะเนี่ยเป็นพระเถระที่ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บก็ด้วยบุญกุศลของท่าน่ะทั้งท่า น, านตัง้งความปรารถนามาแต่นอกจากนั้นมาแล้วมีแต่เจ็บไข้ได้ป่วย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 มีพระเทระองค์เดียวที่ท่านเป่งบทวาจาและเป่งคาถาดูเป็นคำพูดออกมาว่าโรคยาประมาราพาความไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเป็นลาบอันเปนเสริญนะพวกเราท่านทั้งหลายโดยมากมันไม่มีไม่เป็นอย่างนั้นเลเดี๋ยวก็ปวดแข้งปวดขาหยุกยาเต็มไปหมดเลยกันเพราะจะตายเพราะเรามีโรคภัยไข้เจ็บ มีธาตุมีขันถึงจะเลี้ยงดีขนาดไหนทนุถนอมขนาดไหนเลี้ยงดูปูเสือดีขนาดไหนร่างกายนี่นก็ยังเป็นอื่นอยู่เสมอหรือมันไม่ใช่ของเราอีกสักวันหนึ่งก็แก่แก่อย่างที่คุณแม่ชีแก้วท่านพูดไม่มีทุกข์อะไรยิ่งกว่าทุกข์เพราะคนความแก่ท่านก็มองเพราะเหตใดเพราะท่านนั่งอยู่กับที่ไปไม่ได้ แต่ก่อนท่านเดินเหินที่ไหนปีนภูผาปา่าไม้กันไปได้ทั้งนั้นแต่บัดนี้ท่านนั่งแข่งขาของท่านเหยียดแข่งเหยียดขาก็ไม่ได้ต้องคนช่วยทั้งนั้นถามข้อห้องน้ำห้องถ่ายอีกเป็นทุกข์เพราะเหตุไรเพราะคนความแก่ความแก่นี่ก็เป็นทุกข์แล้วก็ความเก็บเก็บไข้ได้ป่วยไปยังไงแล้วก็ความตายอย่างที่ตรงพ่อได้พูดความตายเนี่ยใครท่านผู้ตายเนะี่ยท่านไม่รู้หรอกความตายในทุกขนาดไหน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 อย่าไว้ใจในชีวิตอยู่ในโลกหาทางพ้นทุกข์ซะชําระจิตใจจะทํำยังไงจึงไม่มาเกิดอีกจะชําระยังไงจึงใจไมไม่มาเกิดอีกต้องศึกษาเถอะเนี่ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังแล้วก็ลงมือปฏิบัติเมื่อปฏิบัติแล้วนะชําระใจกิเลสราคะโทสะโมหะที่มันอยู่ในใจนะตัวนั่นแหละพามาเกิดเมื่อชําระใจแล้วใจบริสุทธิ์แล้วใจไม่มีกิเลสแล้วใจบริสุทธิ์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 เนี่ยใจเป็นอิจฉะเพะนั้นพวกเราทุกคนนะพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านสอนมีที่สิ้นสุดสรุปแล้วมีที่สิ้นสุดมีทางออกที่พวกเราจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าพวกเรามาเวียนว่ายตายเกิดก็อย่างนี้แหละเด็กก็เจ็บนั่นเดียกก็ป่วยนี่ เ, เดยวก็เตื่องนั่นเดยกก็เรื่องนี้มากมายมีพระพระภากระองค์เดียวที่ท่านบอกกล่าวว่า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 ออกจากชาตินี้เราก็ต้องไปเกิดอีกที่อายุยืนเพราะอะไรพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอันในอดีตชาติไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอันในสงฆ์ในการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอายุยืนยาวแต่ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะอะไรเพราะเคยทร ม, มานหรือว่าลังแกสัตว์เบียดเบียนสัตว์ทําให้สัตว์เจ็บเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเบียดเบียนมนุษย์ด้วยกันลังแกมนุษยใ์ให้เขาเจ็บไข้ได้ป่วย